ในครั้งหนึ่งนะจริตเหล่านี้มันมันมาจากไหนที่มาเป็นจริตแบบนี้เนสสมมก่ยเ น, น, นี่ยก็ก่อนหน้านี้เราพูดถึงชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยพื้นฐานก็ผวังกว่านะพวกเพราะจริตเหล่านี้มันอยู่ที่ชวนะอ่นะผวังเนี่ยเป็นปัจจยัยวางั้นะโดยอุปนิสัยปัจจัยนะ ผวังเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จริตทั้งหก น, นะแล้วแต่ผวังของใครจะเป็นเป็นปัจจัยแก่แก่จริตของบุคคลนั้ น, น, นแล้วผวังอันนี้มาจากไหนทําไมพักปกติผวังเนี่ยมาจากกุศลใช่ไหมถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งนำเกิดผวังก็ต้องมหาวิบากดวงที่หนึ่งแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับจริตก็อยู่ที่ว่ากุศลอันนี้เนี่ยมีอะไรล้อมหน้า กลับล้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังการเจริญกุศลนั้นนะน่เอ่อทำไมจึงให้ทานนะนยกตัวอย่างทานก่อนจะให้ทานเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วหลังจากให้ทานแล้วคิดอะไรอยู่ตัวนั้ น, นจะมาเป็นตัวกำหนดจริตเช่นก่อนจะใส่บาทเครียด ก็ใส่บาทซะก่อนแล้วก็กลับไปเครียดต่ออนาคตคนนี้นะถ้าเจตนากรรมตัวนี้นำเกิดเขาได้เจริตนี้เนี่ยนะได้โทสะจริตไปถ้าเช่นก่อนให้ทานราคาเกิดมากนะเช่นโลภะชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะด้วยอำนาจราคะพอให้เสร็จก็ราคาอีก โดยรวมๆแล้วบุคคลเนี่ยอนาคตราคะจริตถ้าคนเนี่ยก่อนเจริญกุศลนี่ก็สํานวนแบบเบลเลอร์นะเหมือนกับว่างงๆอยู่นะก็ทํากุศลเสร็จก็งงต่ออะไรคล้ายๆแบบเนี้ยนะนํานวนว่าเมาแล้วก็มาทํากุบุญบาบุญเสร็จก็เมาต่ออะไรลักษณะเนี้ยอนาคตก็โมหจริตหรืออีกคนหนึ่งเขาบอกว่าการมววิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดก่อนหน้านี้มาก เนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดก่อนทําบุญแล้วก็ทําบุญทําบุญเสร็จอกุศลวิตกเกิดอีกพวกนี้นิสัยวิตต ก, กะจริดเนี่ยนะคนเหมือนกับว่าคนคิดมากอ่ะนะวิตกจริตแต่ถ้าพวกนี้มีศรัทธาก่อนจะเจริญกุศลก็ศรัทธามากหลังจากให้ก็รักษาศรัทธาต่อไปในในระหว่างนั้นะนะบุญอันนั้นจะเป็นทําให้เขามาเกิดเขาจะเป็นคนศรัทธาจริต หรือตคนหนึ่งก็ทําบุญมีปรารลปัญญาเป็นเบื้องหน้ากําลังทําก็ปัญญาทําเสร็จแล้วก็ปัญญาพื้นฐานเป็นอุปนิสัยให้เขาเป็นผู้ที่จริตเพราะฉะนั้นกุศลล้อมหน้าล้อมหลังอ่ะเป็นอุปนิสัยให้ <c oughs> ย้อนตัวอย่างเชันสมมุติว่าวันนี้มาฟังธรรมนะสมมติเจตนาที่ฟังธรรมนี่นาเกิดก็ต้องดูว่าก่อนมาฟังนี่คิดอะไร อนจิตเป็นยังไงแล้วฝังเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะเป็นยังไงต่อไปนะจะได้วิเคราะห์ว่าเจริญข้างหน้าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถามว่าในบรรดาตัวที่สําคัญเนี่ยนะเจริญก็สําคัญแต่สําคัญที่สุดคือตัวกุศลเพราะว่ากุศลที่กําลังทํานั่นแหละสําคัญที่สุดเพราะตัวนั้นเป็นตัวนําเกิดเลยจริงๆใช่ไหมมันจะยานสัมปยุตญาณวิปยุตอสังคาริกสังคาริกก็อยู่ที่ที่ตัวกุศลเนี่ยนะ ปกติคนที่ศึกษาเรื่องจริตอย่างนี้ก็มาเจริญกรรมฐานให้เหมาะกับจริตถ้าเหมาะกับจริตก็จริงๆนะกรรมฐานทุกกรรมฐานระงับอกุศลได้หมดระงับอกุศลได้หมดแต่ถ้าเจริญถูกกับจริตก็ค่อนข้างเบาเหมือนกับว่าให้ยาถูกโรคอะไรงั้นค่ะันว่าโดยรวมๆราคาจริตก็เจริญอสุภาษิเนี่ยนไปเจริญอสุภาษิหรือเจริญกสิน ที่เป็นธาตุกสินอย่างเงี้ยนะเจริญพวกกสินประเภทธาตุกสินสินดินกสินน้ำกสินลมกสินไฟเนี่ยไปเจริญกสินพวกนั้นน่ะถ้าโทสะเจริญไปเจริญพรหมวิหารพรหมวิหารให้มากๆเป็นหลักแล้วก็บวกกับกสินอีกนะแต่จริงกสินของเขาเนี่ยจะเป็นวันณะกสิน ตัวธาตุกษินมี4ี่ใช่ไหมวันณะกษินมีมีส่พวกที่โมหะจริตก็เจริญอะไรโมหะจริตจริงๆอะนะถ้าท่านในแง่ฌ า, านก็เจริญพวกกลุ่มมานาปานาสติเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปเจริญอะไรนะกรรมฐานอะไรโมหะ แสดงว่าเราไม่ใช่โมหะมัางเลยไม่ค่อยสนใจว่าจริตโมหะไปเจริญอะไรว่าเองนะ คือพูดถึงไอ้ตัวที่จะทําให้ได้ฌานนะเน้นกรรมฐานที่จะทําให้ได้ฌานเนที่ที่ที่เอามากล่าวเนี่ยนะกรรมฐานที่ไม่ได้ฌานเนี่ยไม่นํามากล่าวส่วนพวกวิตกจริตก็พวกอนาปานสติเนี่ยก็เหมาะเนี่ยนะสัทธาจริตก็คือกลุ่มอนุสติเห็นไหมกลุ่มพุทธิเจริตก็เอ่อพวกในทั้งหมดนะเจริญได้หมดอยู่แล้วทีนี้ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมฐานที่จะทําให้ได้ฌานเนี่ยมีอะไรบ้าง นะเน้นเน้นกรรมฐานที่จะทําให้ได้ฌานนะกรรมฐานบางอย่างได้ฌานที่หนึ่งเท่านั้นกรรมฐานบางอย่างได้ฌานที่สองถึงสเท่านั้นกรรมฐานบางอย่างทําให้ได้ฌานฌานที่สี่เท่านั้นเห็นไหมหรือได้ถึงสี่ฌานบางอย่างได้ฌานที่สี่เท่านั้นอย่างเช่นอ่าปฐมฌานเลยนะผู้ที่จะเจริญได้ปฐมฌานคืออสุภะสิบเนี่ยได้ ปฐมมชานเท่านั้นจะไม่ชานอื่นไม่ได้เนี่ยนะอาณาปานะก็ได้นไอาณนะ า, าปานสติก็ได้ชานที่หนึ่งก็ได้พรหมมิหารพรหมมิหารสามข้อนะเวน้นอุเบขาแล้วก็กสินกษินสิบเนี่ยนะได้ได้พรหมมิหาอ่าได้ปฐมมชาน ส่วนกรรมฐานที่ได้อนุสติเนี่ยได้อุปจาระสมาธินะกรรมฐานสี่สิบเนี่ยได้อุปจาระมีอุปจาระสมาธิหมดเลยแต่ว่ากลุ่มที่ได้แค่อุปจาระอย่างเดียวนะต่อไม่ได้เลยคืออนุสติอนุสติ6ข้อก่อนนะพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติเนี่ยนะ พวกนี้จะได้แค่อุปจาระส่วนกายคตาสติจะได้ฌานที่หนึ่งอนาปานสติได้ฌานสีนี่นะได้ฌาน 1- ถึงสเลยเพราะฉะนั้นอนุสติ8ได้อุปจาระสมาธิอย่างเดียวอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้สมาธิอย่างเดียวคืออุปจาระสมาธิแล้วก็ธาตุสี่าตสี่ก็ได้อุปจาระสมาธิอย่างเดียวเนี่ยคือกรรมฐานพวกนี้ทำให้ได้ไม่ได้ฌานไม่ได้ระดับฌานแต่ได้อุปจาระสมาธิ ส่วนกรรมฐานทั่วๆไปก็คืออสุภะอนาปานะพรหมวิหารกสินพวกนี้ทําให้ได้ฌาน อ, าอสุภะได้ฌานเฉพาะฌานที่ที่หเท่านั้นนะแม้กระทั่งกายคตาสตินะกายคตาสติก็ฌานที่1เท่านั้นแล้วกายคตาสติที่จะได้ฌานต้องเป็นอาวัตถุภายในเท่านั้นด้วยเจริญภายนอกไม่ได้ฌาน เนะช่นมีผมของคนอื่นทำเข้าฌามไม่ได้ถ้าถ้าเป็นตัวกายคตาสตินะจะต้องมีผมของตัวเองนะก็อันนี้ก็รายละเอียดว่าคร่าวๆนะเพราะตรงนี้ไม่ได้เน้นมาอธิบายวิธีเจริญแต่ว่าเราควรเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องฌามส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้ถ้ามีบุญก็คงได้เรียนวิสุทธิมรรคกัน น, นะยกให้บุญก่อน ในส่วนฌานที่2ถึง3ก็คืออาณาปานะก็ได้พรหมวิหาร3ได้กสินได้ส่วนฌานที่4นะตัวที่จะทำให้ได้ฌานที่4คืออาณาปานะอุเบกขาพรหมวิหารกษินเนี่ยนะแล้วกสินเท่านั้น่ะที่จะต่ออรูปได้ กะสินเท่านั้นที่จะต่ออรูปประชานได้ชะตัวกรรมฐานอื่นๆสู่นาสู่อรูปประชานต่อไปไม่ได้เนเพราะฉะนั้นรู้ว่าสายกะสินเท่านั้นจึงจะทำอรูปประชานได้อันนี้เรากล่าวเฉพาะอารมณ์ก่อนนะว่าอารมณ์ของฌานเนี่ยจะไปยังไงส่วนใครต้องการรายละเอียดนะอยู่ในวิสุธิมาร์กกั น, นะในข้างหลังอะ่ะภาคที่หนึ่งถ้าเป็นเนี่ยฉบับของภูมิพโลนะ ภาคที่หนึ่งท้ายๆเล่มเป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะกล่าวไว้นี่ก็เอามาพูดให้ฟังคร่าวๆงนานทึย่ยากที่สุดก็ไปได้หลายอย่างสองสามก็ได้สีก็ได้แต่ว่ายากที่สุดก็เปล่าอยู่ นี่จเอาหนึ่งกรรมฐานเลยหนึ่งกรรมฐานคือสมมติว่ายกปัทวีกสินยกปัทวีกสินขึ้นมาหนึ่งกสินผู้ที่จะเจริญปัทวีกสินเนี่ยนะเขาก็าต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มสมาธิอย่างหนึ่งกับกลุ่มนิมิตสมาธิสามไง น, นิมิตสาม นะสมาธินี่สคือคณิกะสมาธิสอ อ, อุปจารสมาธิ3อัปปนาสมาธิอัปปนาก็แบ่งระดับชานที่ 1, ที่2ที่3ที่4ไล่ไปตามลำดับนี่นะตัวอัปปนาหมายถึงเท่ากับชานนั่นเองส่วนนิมิต หมายถึงแรกก็เรียกว่าบริกรรมนิมิตเห็นหมสองอกขะนิมิตสามปฏิภาคปฏิภาคนะปฏิภาคภาคนิมิตเส้นว่าเจริญบริกรรมนิมิตเนี่ยนะปฐวีเกษรก็บอกว่าหนึ่งคืบสีนิ้ว หนึ่งเครือบสีนิ้วนะก็ บ, บอกว่าอันนี้สําหรับผู้ที่จะต้องไม่เคยมีอุปนิสัยเก่ามาเลยนะแต่ถ้าใครเคยได้อุด อ, อัธยาศัยเดิมมานะอดีตชาติเคยเจริญกสิณเจริญอะไรมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ยากเพราะฉะนั้นไปที่ลานเขาไถานานะเห็นได้เนี่ยที่เขาไถานาเขากรบพื้นดินไว้นะเขา้าชานได้เลยอะทำชานได้เลยมีพระรูปหนึ่งเขาคือก็อจะมีสมบัติที่ไถานา ก็พลิกด <c oughs> ินพลิกดินพลิกดินพลิกดินเสร็จอะมองเป็นลานเดียวกันหมดเข้ากสินได้เลยได้กสินทันทีเลยนะหรือบางทีเห็นแต่ลานนวดข้าวอะเห็นลานนวดข้าวนะที่เขาวางข้าวนะก็มองอันนั้นก็เข้าชามได้เลยอะของเราทั่วๆไปไม่รู้นึกว่าอันนั้นเป็นกสินหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแสดงว่าไม่ได้สังสมมาเลยอะหรือเขาเห็นแผ่นดินเนี่ยเห็นลานวัดเห็นอะไรที่มันเตี้ยๆนะเขาต่อด้วยกสินได้แล้ว แต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนี่เขาเรียกว่าเอ า, เอาแต่งหมายว่าเอาเอาผ้าเอาไม้เนี่ยนะเอาไม้เนี่ยมามาตีกรอบแล้วก็ขึงผ้าหรือเสือลำแพนขึงผ้ากับเสือลำแพนก็เอาดินสีอรุณเนี่ยนะดินสีอรุณเป็นยังไงก็บอกว่าดินดินใต้แม่น้ําคงคาวา่าเคยเห็นดินคโครนไหมไอ้ไอ้โครนมันจะออกสีเหลืองๆเลนยนะที่ที่มันอยู่ข้างล่างน้นะําหมืนไง ไม่ใช่แบบโคลนแบบโคลนแบบกรุงเทพะนะไม่ใช่หมายถึงข้างล่างที่มันดินแบบสีเหลืองๆนิดหนึ่งะคุณจะอุมเข้าใจนะเ น, นี่ย น, นะอช่จะออกออกเหลืองๆอ่ะนะนั่นแหละดินเสียนั้นแหละมาปั้นให้มันดีเกือบสีนิ้วนะแล้วก็เอาอะไรมาขัดให้มันเหมือนกับกลองเลยหน้ากลองอ่ะนะขัดให้มันดีเหมือนหน้ากลองเลยดินอันนั้นแหละแล้วก็ ท่องหาศัพท์ก็บอกว่าท่องแบบปัทวีปัทวีก็ได้ก็มีหลายเชื่อนะแต่ว่าคุณนๆก็คือปัทวีปัทวีปัทวีปัทวีปัทวีว่าอย่างนี้ซ้ําๆก็ไม่กี่พันครั้งมั้งหรืออาจจะไม่กี่แสนครั้งก็ได้นะก็ว่าอย่างนั้นซ้ำๆบ่อยๆนะก็บอกว่ า, นะวาหลับตาลืมตาพอประมาณนะครับว่า ลืมตาพอสมควรในการดูกสินแล้วก็หลับตาลืมตาดูเราหลับตาลืมตาลืมตาหลับตาเนี่ยนะดูจนกว่านิมิตอันนี้มันจะติดตาลืมตากับหลับตาเหมือนกันหมดเลยนะทำให้ได้แบบนั้นแล้วก็ถ้าทําได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าอุกหะนิมิตหลับตาลืมตาเนี่ยภาพเหมือนเดิมหมดเนี่ยนะแล้วก็รักษาไปที่ไหนนิมิตอันนี้ก็ยังอยู่ อันนั้นพอได้นิมิตก็ไปพอได้นิมิตก็รักษานิมิตอันนั้นไว้เขาบอกว่านิมิต ท, ที่รักษาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับนิมิตนิมิตนิมิตนั้นๆอะ่ะทีนี้มันจะมีนิมิตอีกตัวหนึ่งชําแรกออกมาจากนิมิตอันนั้นชําแรกออกมานะเขาบอกว่าเหมือนกับเหมือนออกมาเหมือนกับเมฆหมอกมันลอยมานะแล้วเมฆมันหายไปแล้วมันจะมีนิมิตอันนั้นขึ้นมาอีกนิมิตหนึ่งที่นิมิตที่สนี อันนี้นเเรียกว่าปฏิภาคานิมิตมันจะเป็นนิมิตที่เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์ที่เขาบอกว่าคน ท, ทั่วไปก็ไม่เคยได้อยู่แล้วถ้าไม่เจริญกระสินเหล่านี้นะก็จะไม่ได้นิมิตอันนี้เนี่ยเป็นบัญญัติเกิดจากสัญญาปฏิภาคานิมิตนะเกิดจากสัญญานะไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นนะพอเจริญไปสงบนิมิตนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยอนานาจของสัญญาก็รักษานิมิตอันนี้เอาไว้ ไปเจริญไปบริหารนิมิตอันนี้ที่เรียกว่าปฏิภาคานิมิตเนี่ยก็พอได้ปฏิภาคานิมิตอย่างนี้ถ้าคนมีบุญหน่อยก็สามารถทำให้เป็นฌานต่อไปได้นะบางคนก็ต้องมาบริหารนิมิตอันนี้ยอไปนอนกว่าจะได้ฌานนะนะก็ทีนี้การบริหาร ป, ปฏิภาคานิมิตคขาบอกว่าจำปรารถนาส ป, ปายะเจ็ด ป, ปายะเจ็ด แล้วก็อปปนาโกสน10เนี่ยนะอปปนาโกสนสิส ป, ปายะ7ก็คือ1ถ้าถ้าจะบริหารอันนี้ให้มันดีต่อไปนะนที่อยู่ต้องส ป, ปายะ 2. อ อ, ะอาหารส ป, ปายะบุคคลที่เกี่ยวข้องส ป, ปายะการพูดคุยเรื่องแต่ส ป, ปายะเนี่ยนะอุตุส ป, ปายะอิริยาบถ ส ป, ปายะเนี่ยนะก็บริหารส ป, ปายะให้มันได้คือพวกเนี่ยเอานิมิตเป็นเกณฑ์อ่ะนะคือเขาได้นิมิตแล้วเขาจึงหาส ป, ปายะที่จะรักษาไอ้นิมิตอันนั้นเอาไว้เนี่ยนะแต่ชั้นแรกจริงๆเขาก็เริ่มคัดมาแล้วนะพอคัดมาระดับหนึ่งมารักษานิมิตได้ก็คัดสถานที่ต่อไปอีกก็คัดๆอย่างนี้ไปเรื่อยจนจะหาที่อยู่ม่ค่อได้เหมือนกันเหมือนกันทีนี้พอได้ส ป, ปายะแล้วก็ยังไม่ได้ชานอีกเขาก็บอกว่าให้ มาเจริญอัปปนาโกโสลสิบเช่นทําวัตถุให้สละสลวยหมายถึงบริขารภายนอกก็ทําให้มันสะอาดร่างกายก็ดูแลให้มันสะอาดว่า ง, งั้นเถอะก็ดูแลวัตถุภายนอกกับภายในให้มันดีอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็ปรับอินทรีย์เนี่ยนะปรับอินทรีย์ว่าศรัทธากับวิริยะให้ศรัทธากับปัญญาให้สม่ําเสมอกันวิริยะกับสมาธิให้สม่ําเสมอกัรเนี่ยนะสติก็จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เสร็จแล้วพอได้อย่างนั้นก็บอกว่ายกจิตในสมัยที่ควรยกเนี่ยนะเช่นมันง่วงมันซึมก็ยกด้วยธรรมวิจยะสามโพชงวิริยะสามโพชงและปีติสามโพชงแล้วก็ข่มจิตในสมัยที่ควรชมด้วยปัสสัตทีสามโพชงเนี่ยนะสมาที่สัมโพชงอุเบขาสามโพชงแล้วก็ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยคือด้วยการพิจารณาเช่น อยู่ๆแล้วมันชักเบื่อเลวนะลาละชักไม่ค่อยขยันแล้วก็สังเวกวาถูกแปดหรือระลึกถึงคุณพระัตนะไตรเนี่ยนะให้มากๆเพื่อให้จิตเนี่ยเรื่อนเริงที่จะเจริญกุศลต่อไปแล้วก็เนี่ยน ะ, ะประคองจิตในสมัยที่ควรประคองเนี่ยนะก็คือรักษาการเจริญอันนั้นไว้ให้ดีแล้วก็เรียกว่าฉลาดในนิมิตเนี่ยนะฉลาดที่จะรักษานิมิตอันนั้นต่อไป